อา้าวคณะัตธายาโยมลูกหลานรอๆอก่อนเจ้าภาพกำลังมาเพราะพุทธรูปนี่มีที่ไปที่มาแต่ตามไม่จริงวันนี้เนี่ยเราบอกว่า เ, าเราไม่ได้ให้พวกเรามามากถึงขนาดนี้หรอกมีแต่เจ้าภาพห้าหเจ็ดคนนะเมื่อท่านถวายเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราจะฉลองสลาจะค่อยว่ากันอีกข่าวนั่นข่าวใหญ่นะข่าวยิ่งใหญ่ข่าวนั้ น, น่ะข่าวได้เป็นข่าวเล็ก เป็นถวายพระพุทธรลกเป็นส่วนตัวมาในครอบครัวแต่แต่นี้มาก็ไม่ว่ากันลูกพ่อแลาลาเราใหญ่โยนาจะมาได้ฉลองเสริมฉลาของพวกเรานะมาแล้วก็ดีเราเห็นลูกเห็นหลานพร้อมหน้าพร้อมตากันต่อไปก็คงจะมีการฉลองแต่ในเจ้าภาพเลยถวายพระพุทธโกูกพระประธานนะแต่พระสาวกพระสาวกจะมีอีกเจ้าหนึ่งนะ พระสาวกยังมีอีกเจ้าหนึ่งอันนี้พระประธานนะแต่พระประธานองค์นี้นะองค์ดำใหญ่เนี่ยพระเห็นเป็นหินนินสเปนเป็นหินนินของประเทศสเปนนะหินก้อนนี้มาจากทะเลข้ามน้ำข้ามทะเลมามาแล้วก็มาแกะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าของเดียวกันกับ แต่พระที่แกะภูกรนั่นแหละเป็นตระกูลเดียวกันที่แกะหินภูกรพี่หินพระนอนไว้แคลลาล่า น, นะนะั่นแหะเป็นตระกูลเดียวกันวันนี้หลวงพ่อก็ให้แกะวัดที่วัดหลวงพ่อด้วยมาแกะที่นี่ด้วยนะแล้วกําลังเนธได้กําลังแกอีกอยู่แกะหินแต่องค์นธะอ่ะองค์เดียวเนธะองคนั่งอยู่ข้างตรงกลางเนี้ยนะล้านห้าแสนนั้นลูกหลานนะ ค่าแกะพระนล้านห้าแสนองค์เนีแต่แต่ของหลวงพ่อเนี่ยสามล้านแปดแสนห้ามื่นองนั้นอ่ะแต่องค์นี้ล้านห้าแต่พระสาวกองละห้าแสนนะตีแกะนะเป็นไงสวยงามไหมพระสวยครับเออนี่แหละขนาดแกะหินนะถ้าแกะกล้วยหลวงพ่อคงจะไม่จ้างมากถึงขะแนนนั้นหรอกว อันนี้มันแกะหิน่าโอ้ทําไมหลวงพ่อจึงจ้างแพงนะมะโอ้แกะหินไม่ใช่ว่าแกะกล้วยนะ อ, อถ้าแกะกล้วยหลวงพ่อโอ้ยไม่จ้างถึงขนาดนี้หรอเป็นผู้นากล่าวคําถวายพระพุทธคู่นะครับขอเรียนเชิญท่านตั้งนโมพร้อมกันก่อนนะครับเอ่คุณพูนสีกล่าวก็ได้เอาตั้งน้ำโมสามจบพร้อมกันซะก่อน นาโมนาโมตัสสะะคาวะตอราะตสัมมาสัมพุทธัสสะเบื้องต้นพวกเราได้ไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลก็ได้กล่าวคำถวายพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนาเจ้าภาพก็เนี่ยคุณภูนสีอุณานอนอย่างที่โคสกได้พูดได้กล่าว พร้อมกับลูกหลานหลานน้อยที่ตัวเล็กๆนะ่คือสร้างพระองค์นี้ก็เพื่อให้หลานคืออะไรชื่อเจนล่าใช่เออเจนล่าเพื่อเป็นเทิดลำลึกพระโพธิูลกอย่างพวกเราทันได้เห็นสวยงามแกะหินหินประเทศอิตาลีหินไว้หินเนินสเปน เน่นไปว่าดำหินดำของประเทศสเปนเขาแกะเรียบร้อยสวยงามราคาก็เนี่ยที่ค่าแกะส่งถึงที่ล้านหาแสนบาทแต่ก็ยังมีพระสาวกสององค์ก็เป็นของเสียต้มกับแม่ยายมาคนละองค์กันองค์ละหแสนอันนี้ก็ยังไม่ได้มาถวายแต่นี้คราวนี้การการมาถวายพระครั้งนี้ก็หลวงพ่อกาหนด คือเจ้าภาพบอกว่าไม่มีเวลาก็เลยกำหนดวันกําหนดทั้งสองสามครั้งนะหลวงพ่อก็ได้ให้กําหนดวันนี้แหละแต่มากําหนดวันนี้ก็หลวงพ่อก็ไม่ได้ให้ทางวัดเรียกว่าคณะกรรมการที่ดูแลอันนี้ก็เป็นมามาลักษณะส่วนตัวแต่มากเมือส่วนตัวก็เถอะหลวงพ่อก็คือเป็นสาธารณะคือพระพุทธโรค ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะรองรับรู้รับทราบร่วมกันจากนั้นก็พระสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่ในละแวกนี้ที่เป็นครูบาอาจารย์ก็มาร่วมรับรู้รับทราบว่าได้ถวายพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยพระสงฆ์ก็ได้มาหลายองค์หลายวัดที่เป็นหมู่พกเพื่อนของสมภารของชั้นพระอาจารย์ เ, เรืองออที่เป็นเจ้ า, าวาดวัด หลบเราแห่งนี้นะแล้วก็พี่น้องประชาชนก็นเข้ามาร่วมกันเพื่อจะถวายพระพุทธปฏิมาแต่นี้เป็นรถแรกนั้นข้าราชกาญาติโยมลูกหลานในเมื่อสร้างพระพุทธรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วศาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนั้นและครั้งนั้นแหละคงจะมีการถวายศาลาพระพุทธปฏิมาพร้อมๆกันอีกรอบนึงอันนั้นก็คือเป็นครั้งยิ่งใหญ่ แต่ที่ความเป็นมาของวัดป่าหลุบเลาแห่งนี้นะตะกอนก็เป็นล่องเขาเป็นล่องเขาแต่สมัยป่าไม้ทาวรที่เป็นป่าไม้เขตในจังหวัดอุดรแทบนี้แหะบอกว่าอยากจะให้ครูบาอาจารย์ไปหาหลวงพ่อแต่จะให้มาสร้างวัดอยู่จุดนี้เพื่อรักษาป่าหลวงพ่อก็ได้ แต่ในเมื่อรักษาป่าอยู่แล้วนะต้องมอบที่ให้ให้หลวงพ่อนะถ้าหากว่าไม่พอพระรักษาป่าอยู่แล้วนะมาหาไ่พระหนีออกไปจากวัดไม่ได้นะอันนี้ก็คือหลวงพ่อได้โพดกับป่าไม้จากนั้นก็ไล้ลงเซนสัตยาเซนหนังสือกันทั้งนายอำเภอสมัยนั้นนะทั้งผู้ใหญ่บ้านกำ น, นันแถบแถบนี้ทุกคนรับรู้รับทราบ เพราะว่าการเข้ามาอยู่ป่าในยุคสมัยนั้นน่ะมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันถ้าเข้าม า, าไม่ถูกที่ถูกทางดวนเขาไล่ออกจากป่าเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อก็กลัวจุดนั้นเหมือนกันนะหลวงพ่อก็ได้ให้ผู้ใหญ่บ้านกำ น, นันในอำเภอเซ็นรับรองจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ามาสร้างต่างวัดหรือว่ามาจับอยู่จุดนี้จากนั้นก็ให้ท่านอาจารย์เรืองมาอยู่ แต่พอท่านอาจารย์มาอยู่้ก็อยู่หลายปีแล้วก็ขออนุญาตสร้างวัดขึ้นมาก็เป็นแนวแถวขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งหลวงพ่อคิดว่าถ้าว่าเราไม่สร้างถาวรวัตถุไว้ในจุดนี้ต่อไปภายภาคหน้าทางป่าไม้ก็คงจะ <c oughs> ยึดคืนนะพูดง่ายๆนะหลวงพ่อกันแต่ว่าหลวงพ่อเรื่องเนี่ยเป็นปัจเจ ก, กนะท่านก็ไม่มีมูบีเพื่อนมีองค์เดียวจำบรรษา แต่หลวงพ่อถึงว่าอย่างไรคือควรจะเป็นวัดขึ้นมาในจุดนี้หลวงพ่อจึงได้ให้ทุนมาสร้างศาลาหลังนี่ละหมดไปหลายเงินบางกันนั้นลูกหลานาแต่จากนั้นก็นี่นะคณะของคุณหมอเป็นศรีคุณภูนศรีลูกหลานเนี่ย อ, อยากจะทำบุญสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้แต่หลวงพ่อเออหลวงพ่อกำลังต้องการพระพุทธปฏิมาพระพุทธรูปอยู่ที่ศาลาหลังนี้ยังขาดอยท่านก็เลยมีจิตใจ จะถวายพระหลวงพ่อก็ได้ให้เสียต้อมไปเป็นผู้ประสานติดต่อว่าพระพุทธรูปขนาดนี้ละองละเท่าไหร่พอได้สุกันเลยได้ตกลงกันนี่แหละได้แกะพระไม้อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นในหลักความเป็นมาของวัดต่อไปนี่ก็คงจะเป็นวัดว า, าศาสนาขึ้นมาในจุดนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเห็นแล้วเหมาะนะสถานที่ที่เงียบสงบจริง พะ อ, อยู่ในล่องเขาอากาศก็ดีอีกต่างหากเรื่องน้ำก็มีเพออยู่ในภูเขาใช้น้ำภูเขาในละแวกนี้เนื้อที่ทั้งหมดทางอยู่ทางขวามือของหลวงพ่อเป็นแดนจังหวัดเลยนะถ้าข้ามเขาไปนีนะ่เป็นเนื้อที่เป็นหมื่นไร่นะไม่ใช่แคบนะเป็นป่าสงวนแห่งชาตินะแต่เขาจะใ ห, ให้ที่นี่ก็ประมาณ15ไร่เป็นที่ครอบครองนะแต่จะนอกเหนือจากนั้นก็เป็นที่ทาเล แต่ตามไม่จริงพระก็ไม่ต้องการมากอยู่แล้วนะ่ะข้อสําคัญให้อยู่ได้ท่านเองอยู่สิบห้าไร่ก็พอจากนั้นก็จะไปภาวนาที่ไหนจะเข้าไปบปําเพ็ญที่ไหนเดินพุทงธที่ไหนในละแวกนี้ก็ได้ทั้งนั้นแหะเป็นสถานที่ปฏิบัติเหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติที่หลวงพ่อมองมองดูแล้วนะ่ะเพราะฉนั้นพระสงฆ์กูบาอาจารย์น้องหนุ่งทางหลายเดีจะมาอยู่ปฏิบัติธรรม มาพามาบําเพ็ญอยู่ที่นี่โอ้ยอยากจะตั้งใจภาวนาจะออกทุดงในละแวกนี้นะอยู่ได้ทั้งนั้นแหละไฟในการประพฤติปฏิบัติธรรมหลวงพ่อว่าเป็นสถานที่สัปปายะทีเดียวตรงนี้นะเพราะฉนั้นหลวงพ่อจึงมองเห็นว่าควรจะมีศาลาปฏิบัติธรรมและก็มีพุธทธปฏิมาให้เป็นที่กราบไหว้ธรทำสังฆกรรมสังข์ธรรมสังฆกรรมต่อไปนะ่ ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่พวกเราได้น้อมการพร้อมกันได้มาถวายพุทธปฏิมาไว้ในพพุทธศาสนาเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพวกเรามากราบที่ไรก็ได้มากราบขอน้อมลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นตระกูลของพุทธศาสนาก็คือพระพุทธเจ้า เพราะนั้นพวกเราได้สร้างพระพุทธโลกขึ้นมากับเพื่อเป็นตัวแทนของพุทธะนะแต่จะเป็นหินเป็นอะไรเป็นหินเป็นปูนเป็นทรายเป็นเทวรลกอะไรก็ตามก็เพื่อแทนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราสร้างลูกพ่อลูกแม่ของเราขึ้นมาเราต้องกราบพ่อกราบแม่กราบลูกนะเราไม่ใช่กราบลูกแล้วกราบประคุณของพ่อของแม่ต่างหากเราเห็นกระดูก เหมือนกันกระดูกพ่อกระดูกแม่เราเห็นแล้วไม่ใช่เรากล่าบกระดูกแข้งเรากราบพระคุณของพ่อของแม่ถ้าใครกราบกระดูกแข้งนั้นแปลว่าโง่มากไปเห็นกระดูกวัวกระดูกควายที่ไหนกระดูกหมูกระดูกไก่ที่ไหนกระกาบนะอันนั้นแปลว่าโง่เลยท่นี่แต่ถ้าเห็นกระดูกของคุณพ่อคุณแม่แล้วไปดูถูกเหกียดตยามไม่ได้ล้เป็นบาปพระคุณในจิตใจต่างหากท่านนี่ไม่เป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลาย อาว่าเห็นกระดูกพ่อกระดูกแม่แล้วก็กราฟอันนี้คือพระคุณของที่ได้เลี้ยงดูเรามาในกระดูกนี่แหละอันนีู้เหมือนกันรูปอย่างนี้แหละคือรูปพระพุทธเจ้าเป็นต้นาศาสนาต้นพระพุทธศาสนาเป็นผู้ประกาศพระธรรมคําสอนออกมาให้พวกเราได้เป็นคนดีนี่แหละอันนี้คือตัวแทนเราตั้งเป็นปั้นรูปเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นวันนี้พวกเราได้มา ถวายลูบเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเพื่อได้กราบไหว้สักการะบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภูม้มรรคฐานเทวดาในถิน่นนี้เขากคงจะได้มากราบมาไหว้พระพุทธปฏิมาพระพุทธรูปองนี้เป็นสถานที่เป็นพุทธอันศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะวฉนนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะทุกๆคนให้ได้บูญได้กุศล มากๆใครผู้ใดก็ตามปรารถนาสิ่งใดอย่าอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกๆท่านทุกๆค น, นพี่น้องลูกหลานเนะ้า